บุกทูหนึ่งร้อยอาสอาสคำวิเศษสมนีเซเดบิสมนีเซเดบิเคยยังไม่เคยเอร์เทเชลอุกเวเจรอาราสต คสคุณเคยไปเบอร์ลินหรื อ, อยัางารบอ ร, รอสมเบลินชีมนชไม่ยังไม่เคยเลยครับอราระเจร์อราโซตส์อาระเชร์รอรอส์ ใครไม่มีใครฟินเมอราวินฟินไมอราวินคุณรู้จักใครที่นี่ไหมครับอิตสโนบต์อากฟินเมสอิตสโนบต์อากฟินเมสไม่ผมไม่รู้จักใครที่นี่ครับอาราอักอราวิสวิตสนบอา อีกนิดอีกไม่นานคดเมติอากคดเมติอารคุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหมคิดบิอากดบิอากไม่ผมอยู่ที่นี่อีกไม่นานครับ อะไราอาจที่ฉันสั่งวา ร, รับใชบีอะไรอา a n ี่ฉันสั่งวารับใชบีอะไรอีกไม่อีกแล้วคิดมตีอะไริ่งมตีอะรเพริคุณอยากดื่มอะไรอีกไหมคบกมตว่า คไม่ตไม่ผมไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วครับอะไรอะรอริม a าอะไรเปริมินดอ า, ะ อ, า, านดะอะไรบ้างแล้วยัยงไม่เลยอุควเวไรเมะจะเปริอรรุอเวเรเเจริ คุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหมมีรทวิตอุกเวรามมีรทวิตอุกเวรามไม่ผมยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยครับอา ร, รอาระเรมจจอาราเรมิามยอารเมจอาราเรมิามยมีใครอีกไม่มีใครอีกแล้ว คเดมคเดวเมติอาวินมีใครอยากรับกาแฟอีกไหมอุวเมสควอุวินเมสคเดคาวไม่ไม่มีใครอีกแล้วครับเมอาเม <Arab> กรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด